คำว่าพระวินัยนั้นมีอยู่4อย่างด้วยกันวินัยอย่างที่หนึ่งเขาเรียกว่าบัญญัติวินัยบัญญัติวินัยะก็คือพระวินัยบัญญัติหรืออีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสังวรวินัยกับปหานวินัยสังวรเท่าไรนะสังวรห้านะตาติโมกสังวรหรือศีลสังวรสติสังวรญาณสังวรขันติสังวรและ วิริยะสังวรอันนี้เป็นสังวรวินัยแล้วก็ยังมีปะหานวินัยอีกแต่ทางข้าปะหานวิคัมพะณะปะหานสมุทเฉทาปะหานปฏิปัสสธิปะหานและนิสรณะปะหานเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารักษาพระวินัยนี่จะได้วินัยพระองค์บัญญัติวินัยเนี่ยสังวรวินัยและปะหานวินัยจะดํารงอยู่นะแล้วก็สมถาวินัยคืออธิกรณะสมถะเจ็ อ, อุบายเป็นเครื่องสงบระงับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็พระวินัยบัญญัติต่างๆก็จะดำรงอยู่ได้เพราะฉะนั้นพระองค์เล็งถึงอำนาจประโยชน์ทั้ง10ประการเหล่านี้แหละทำให้พระองค์บัญญัติพระวินัยออกมาโดยประการต่างๆเห็นแล้วก็การบัญญัติพระวินัยของพระพุทธเจ้านั้นเหมือนกับได้วินัยเนี่ยบางทีเหมือนกับเส้นได้ที่ร้อยพวงมาลัย ไม่ให้กระจัดกระจายเขาบอกว่าดอกไม้ถ้าหากว่าเอามากองกองไว้เนี่ยนะถ้าลมพัดมาดอกไม้เหล่านั้นก็แตกกระจายไปได้ฉันใดเขาวางกันพระผู้มีพระภาคถ้าไม่บัญญัติธรรมวินยัยพระพุทธศาสนาจะไม่ดํารงอยู่นานแต่ถ้าหากว่าพระองค์บัญญัติพระวินยัยพระศาสนาของพระองค์ก็จะดำรงอยู่นานเนี่ยนะเหมือนกับดอกไม้ที่ได้รับการร้อย นะอันนี้กล่าวถึงสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติขึ้นนะพระวินัยบางอย่างเป็นโลกวัชชะบางอย่างเป็นปันนติวัชชะคำว่าวัชชะนี่แปล ว, ว่าโทษวัชชะนี่แปลว่าวโทษหรือบางทีเขาแปลว่าข้อครหาข้ อ, ขอติเตียนเห ง, งือนกันโทษนี่มีอยู่สองอย่างก็เรียกว่าโลกวัชชะกับปันนติวัชชะ โลกวัตชานี่หมายคำว่าผู้ใดทําไปแล้วคนนั้นจะต้องทําด้วยจิตที่เป็นอกุศลอาคำว่ามีโทษทางโลกเนี่ยโลกเนี่ยไม่ใช่ว่าโลกคือชาวบ้านนะโลกสามอ่ะการมาโลกรูปประโลกอารูปปโลกอ่ะโลกสามอ่ะนะดังนั้นถ้ามีโทษทางโลกก็คือทําให้ไปอบายทุคติวินิบาตได้ถ้าล่วงวินัยอันนี้ขึ้นอันนี้เครียกว่าโลกวัตชะแล้วก็ใครได้ยินก็ติเตียนด้วยแหละเพราะมันไปเหตุไปส่วอบายนั่นแหละเขาจึงติเตียนอ่ะนะ เขาจึงว่าเขาจึงตำหนิเขาจึงดูหมิ่นเอาแล้วก็ปณิวัชชาเนี่ยพระองค์นั้นบัญญัติขึ้นว่าไงดีถ้าหากว่าพระองค์ไม่บัญญัติขึ้นสิ่งนั้นเราจะไม่เรียกว่าเป็นพระวินัยเลยยกตัวอย่างเช่นพระเนี่ยจะเก็บน้ำผึ้งเกินเจ็ดวันไม่ได้อย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นพระบัญญัติพระองค์บัญญัติขึ้นมา เมื่อพิสูรรับประเค้แล้วเนี่ยนะรับประเคนเน้เนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเนี่ยเกินเจดราตรีไม่ได้เนี่ยนะถ้าราตรีที่แปดขึ้นมาของนั้นเป็นจำของจำต้องสละนะแต่ว่าถ้าร่วงแปดราตรีเนี่ยของนั้นเป็นนิสกีต้องสละสละแล้วจึงจะปรงอับัติได้อับัตนั้นเรียกว่าเป็นอับัตปาจิติเนี่ยนะอันนี้พระ อ, องค์บัญญัติขึ้นอันนี้เรียกว่าปันนติวัชชะ ซึ่งถ้าชาวบ้านทั่วไปเขาสะสมเป็นโกดังก็ไม่บาปอะไรใช่ไหมโทษมีน้ํำพึ่งเก็บก็ไม่บาปอะไรแต่ถ้าพระภิกษุไม่ได้เนี่ยนะเพราะเฉพาะเจตนาศีลเนี่ยนะส่วนหนึ่งเป็นเจตนาที่งดเว้นเพราะว่าพระวินัยบัญญัติบางอย่างให้เว้นพระวินัยบัญญัติบางอย่างให้กระทำแต่ว่าในทางคารวาะเนี่ยนะ ส่วนใหญ่เราจะรู้จักกันเฉพาะข้อที่สองที่ที่เรียกว่าข้อห้ามนะยกตัวอย่างเช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมเนีย่ยนะไม่มุสาวาดไม่ดื่มสุราและเมรัยเราจะรู้แต่ข้อห้ามอันนี้เท่านั้นเองแต่ข้อที่พระองค์สารเสรนะอน่ะเว้นจากการฆ่าสัตว์ละการฆ่าสัตว์เนี่ยนะละการฆ่าสัตว์เว้นจากการฆ่าสัตว์วางอาทยานในศัตว์วางศาสตราในศัตว์ มีความละอายต่อสัตว์มีความเอ็นดูต่อสัตว์อันนี้ไม่มีใช่ไหมอันนั้นอันนั้นเป็นศีล้วยนะเป็นเกี่ยวกับเรื่องศีลข้อที่หนึ่งไม่ใช่ว่าจําพ่อก็ว่าเออไม่ฆ่าก็พอละแต่ทรมานสัตว์เบียดเบียนสัตว์อย่างนี้ก็ศีลอันนั้นก็ไม่ดีละเพรันจะต้องเป็นคนที่มีความละอายมีความเอ็นดูหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสัตว์ด้วยเนาะพันอันนั้นเป็นจารีตที่จะต้องประพฤติขึ้นไอ้ส่วนไม่ฆ่า น, นั้นเป็นวารต นะเว้นเอาฉะั้นกุศลศีลเหล่านี้เนี่ยเมื่อรักษาอย่างนี้แล้วก็จะทำให้ได้รับประโยชน์ประโยชน์ที่เรียกว่าอ น, นิสงส์อ น, นิสงส์ก็คือนำมาซึ่งความไม่เดือดร้อนใจเป็นต้นเพราะถ้าผู้ใดรักษาศีลอย่างนี้จะไม่เดือดร้อนใจเพราะพฤติกรรมเนี่ยนะการแสดงออกยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนึกแล้วหาข้อตำหนิตัวเองไม่ได้วจีกรรม เอ๊วันนี้เราพูดผิดพูดพลาดพูดในสิ่งที่ไม่สมควรพูดไม่มีวังเงินเด้อเพรา ะ, ะทุกคําที่พูดออกไปมีฮิริโอตาปะเป็นเป็นเหตุใกล้เป็นเหมือนกับสมุทฐานอ่ะนะทำให้เกิดเจตนาทําให้เกิดเจตสิกทำให้เกิดสังวรทําให้เกิดการไม่ก้าวล่วงอั้นมีฮิริโอตาปะทําให้ไม่ต้องเดือดร้อนใจเลยเมื่อไม่เดือดร้อนใจอย่างนี้ปีปรามโมดปีติปัสสัตธิ สุขสมาธิยะถาภูตยานัศสนานิพิทาวิราคะวิมุตเป็นต้นก็เป็นไปโดยลาดับก็ถึงความบริบูรณ์หรืออีกอนยยะหนึ่งอ น, นิสงฆ์ที่กล่าวไปใช่ไหมอ น, นิสงฆ์หอย่างนะอนิสงฆ์หอย่างอ น, นะที่พระองค์ตรัสกับครหบดีทั้งหลายชาวบ้านปาตลิคามอ น, นิสงฆ์ห้าอย่างก็คือทำให้ประสบกองโภค ที่เกิดขึ้นเพราะความไม่ประมาทใช่ไหมเพราะคนมีิีลก็จะไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเหตุแห่งโภกคสมบัตินนนะัะแล้วก็ข้อสองเขาบอกว่าศีลที่รักษาดีก็จะทำให้กิติศัพที่ดีคือชื่อเสียงที่ดีงามของผู้มีศีลก็ฟุ้งกระจายไปชื่อเสียงนะไม่ใช่ชื่อเสียงนนะแล้วก็อันอีกสออย่างที่สามก็คือ เป็นผู้องค์อาจเข้าไปในบริษัททุกหมู่เหล่าว่างั้นเถอะคนไม่มีความผิดเนี่ยนะไปนั่งตรงไหนก็สบายใจใช่ไหมแต่ถ้าเขาเรียกว่าคนไม่มีแผละนะถ้ามีแผลไปนั่งตรงไหนมันก็เสียววูบ น, นะใครพูดคาอะไรจะพาดพิงถึงเราหรือเปล่าใช่ไหมถ้าศีลไม่ค่อยดีก็จะลักษณะนั้นไม่เก้เอไม่องค์อาจไม่สางาพาเผยว่างั้นแต่ถ้าศีลดีก็องค์อาจสางาพาเผยทีนี้อันนี้สงขอที่ศีลขอ ข้อที่สี่ก็คือไม่ลุ่มหลงทำกาละอันนี้กล่าวถึงเวลาใกล้จะตายเวลาใกล้จะตายเนี่ยนะวิปฏิสารจะไม่เกิดในขณะนั้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเดือดร้อนใจว่าโอ้ความชั่วเราทำไปแล้วหนอความดีเราไม่ได้ทำไ้แล้วหนอก็จะทำให้เกิดความเสียใจ่างกันอันนี้ก็เหตุที่เกิดจากการไม่รักษาศีล ทำให้ไม่เดือดร้อนกุศลนิมิต จ, จะปรากฏเวลาใกล้จะตายนึกถึงกุศลกรรมนึกถึงกุศลเจตนาที่ได้รักษาศีลเอาไว้แล้วก็อ น, นิสงส์ข้อที่5ก็บอกว่าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก็เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์คำว่าสุขติก็คือมนุษย์และเทวดาเนี่ยนะนี่พอมาพูดถึงจุดนี้ก็ทำให้เห็นอย่างหนึ่งนะเห็นอะไร เห็นว่าเรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่เพราะผลของศีล น, น ะ, ะที่เราได้รับสุคติเนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นสุคตินะนี่เป็นผลของศีล น, นะเพราะว่าทานอย่างเดียวไม่ได้เป็นเหตุให้สุคติได้น ะ, ะที่สู่สุคตินี่เพราะผลแห่งศีลแล้วก็ในวิสุทธิมรรคก็ยกข้อความในอากังเขยสูตรว่ายังมีอ น, นิสงฆ์แห่งศีลไม้อื่นอีกคือ มีความเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นต้นมีความสิ้นอาสะวะเป็นที่สุดอันนี้ก็กล่าวถึงอานิสงส์สิบ็ประการที่พระองค์กล่าวไว้ในอากังเขยสูตรพระะนันข้อความในวิสุทธิมักไม่ยกมาทั้งหมดถามว่าทําไมไม่ยกมาหมดถ้ายกมาหมดนะวิสุทธิมักก็จบไม่เบนเหมือนกันอ้างอะไรก็ยกข้อความนั้นมาหมดยกอ้างอะไรก็ยกมาหมดอันนี้ก็โหคัมภีร์เนี่ยเป็นมหาคัมภีร์เลยเหมือนกันเด้อ เป็นคารุคำภีแล้วแบกไม่ไว้แค่นี้ก็หนักเต็มทีแล้วนะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยไม่ยกมาหมดท่านยกแต่หัวข้อที่หนึ่งกับข้อที่ส7เจมาข้อที่หนึ่งบอกว่าไงบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าภิกษุหวังว่าเราพึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพเป็นที่ยกย่องของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายภิกษุนั้นก็พึงเป็นผู้ กระทำให้บริบูรณ์ในศีลประกอบธรรมะเครื่องระ ง, งับจิตของตนไม่ทำชานให้เฮินห่างประกอบด้วยวิปั ส, สนาเพิ่มพูนในการอยู่สุญญาคารอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สิบเจ็ดก็คือมีความสิ้นอาสวะทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์เป็นที่สุดซึ่งครั้งที่แล้วเมื่อวันศุกร์นะก็ได้กล่ายกข้อความในอาการเ ย, ยสูตรกล่าวถึงอนิสงส์ข้อที่หนึ่งใช่ไ ซึ่งอ น, นิสงค์ข้อที่หนึ่งยังพูดไม่จบเลยที่ว่าถ้าภิกษุจะพึงหวังว่ารักขอเราพึงเป็นที่รักที่ชอบใจเป็นที่เคารพเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายตรงนี้นี่ก็คือถ้าอยากให้เขาเจริญเมตตาให้เราก่อนเพื่อนะนะก็บอกว่าหาคนเจริญเมตตาไม่ได้อยากให้เขาเจริญเมตตากระเราเป็นเป็นเบื้องต้นเลยเนี่ยนะพเจริญเมตตานี้จะต้องเจริญไปหาใครก่อน ชั้นแรกเลยเจริญเมตตาเนี่ยนะลำดับของการเจริญเมตตาเจริญให้ตัวเองก่อน2เจริญให้แก่ผู้ที่เราเคารพเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีศีลนี่เขาเจริญเมตตาให้กับเราก่อนได้อนนันถ้าหากว่าอยากได้อ น, นิสง์อันนั้นก็รักษาศีล น, นะทำศีลให้บริบูรณ์คําว่าทําศีลให้บริบูรณ์หมายถึงทําจตุปาริสุทธิศีลให้บริบูรณ์ ทีนี้ข้อความที่ว่าประกอบธรรมะเครื่องระ ง, งับจิตของตนไม่ทําชานให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสนาเพิ่มพูนในการอยู่ในสุญยาคารข่าว่าคำว่าวิปัสนาญสมนาคโตเนี่ยนะว่าผู้ประกอบด้วยอนุปัสนาเจ็ดอย่างนนเมื่อรักษาศีลแล้วก็ ไม่ไม่ทำฌานให้เหินห่างแล้วก็ประกอบด้วยอนุปัสนาเจอนุปัสนามีเจอย่างนะหนึ่งอนิจจานุปัสนา 2. ทุกขานุปัสนาสาอนัตตานุปัสนาถ้าใช้คำว่าวิปัสสนานั้นวิปัสนาเป็นชื่อของปัญญาปัญญาที่ตามเห็นขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงชื่อว่าอนิจจานุปัสนา ปัญญาที่ตามเห็นขันห้าโดยความเป็นทุกข์ชื่อว่าทุกขานุปัสนาปัญญาที่ตามเห็นขันห้าโดยความเป็นอนัตตาเรียกว่าอนัตตานุปัสนาปัญญาที่ตามเบื่อหน่ายในขันห้าชื่อว่านิพธานุปัสนาปัญญาที่คลายกำหนัดในขันหชื่อว่าวิราคานุปัสนาปัญญาที่เห็นความดับเป็นนิโรธานุปัสนา ปัญญาที่สละคืนจากความยึดถือในขันท่าเป็นปฏินิสขานุปัสนาเพราะฉะนั้นอนุปัสนา7เหล่านี้นะในวิสุทธิมรรคท่านก็บอกว่าขยายพิสดารแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นรายละเอียดก็ต้องดูเล่มสุดท้ายของวิสุทธิมรรคนี้เราอยู่เล่มหนึ่งนะเขาบอกว่าผู้ที่จะเป็นที่รัเป็นที่เคารพของเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายก็ทําให้บริบูรณ์ในศีลประกอบในสมถะแล้วก็เจริญวิปัสนาอย่างนี้แหละ ก็บทว่าพรูเหตาสุญยาคารานังนี้ภิกษุเรียนเอากรรมาฐานด้วยอำนาจสมถะและวิปัสนาแล้วเข้าไปนั่งเรือนว่างตลอดวันและคืนชื่อว่าเป็นผู้เจริญสุญยาคารนะหลีกเร้นด้วยนะไม่ได้ให้ไปคลุกคลีอะไรเท่าไหร่ด้วยคำเพียงเท่านี้เทสนานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงเริ่มด้วยสา ม, มารถยกอาทิศีลสิกขา นั้นแสดงก่อนก็ตามก็พึงทราบว่าเป็นเทศนาที่นับเนื่องในไตรสิกขาโดยลำดับคือคือคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องเป็นไปโดยลำดับใช่ไหมถ้ากล่าวถึงอธิศีและสิกขาเพราะฉะนั้นอธิจิตอธิปัญญาสิกขาขอให้รู้เธอว่าจะต้องตามมาอย่างแน่นอนอันนี้เป็นเป็นหลักของเทศนาที่ว่าไพาระในเบื้องต้นไพระใน่ามกลางและก็ ภัยรอดในที่สุดว่า ง, งั้นภัยรอดในเบื้องต้นด้วยศีลภัยรอดในท่ามกลางด้วยสมาธิภัยรอดในที่สุดด้วยปัญญาหรือว่าภัยรอดในเบื้องต้นด้วยทานภัยรอดในท่ามกลางด้วยศีลภัยรอดใ น, ดใ น, ดในที่สุดด้วยภาวนานั้นหรือว่าภัยรอดในเบื้องต้นด้วยศีลภัยรอดในท่ามกลางด้วยอริยมรรคภัยรอในที่สุดด้วยนิพพานยังไงอันถ้าตรงนี้พูดถึงศีลก็สมาธิปัญญาตามมาเพราะฉะนั้น เพราะรวบรวมสมถะและวิปั ส, สนาเข้าด้วยกันเหตุที่สมถะและวิปั ส, สนามีศีลเป็นปทัทฐานปทัทฐานแปลว่าเหตุใกล้เหตุใกล้แห่งสมถะและวิปั ส, สนาคือศีลเนี่ยนะะความเข้าใจนี่คือว่าเข้าใจเนี่ยสำคัญแล้วละบางเ้นเียเรียนมาให้เข้าใจในเรื่องนั้นนับว่าสำคัญแต่ปัญญาที่เป็นวิปั ส, สนาเกิดขึ้นพิจารณาอย่างนั้นจริงๆนั้นมีศีลเป็นเหตุใกล้ เหมือนกับการเทศนาธรรมที่เป็นค่าศึกของตันหา น, นะแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงเริ่มด้วยสา ม, มารถการยกตันหาขึ้นแสดงก่อนก็เพิงทราบว่าเป็นเทศนาที่นับเข้าในหมวดสาแห่งธรรมะเครื่องเนิ่นช้าโดยลำดับถ้าเจอข้อความที่ไหนมีคำว่าตันหานะขอให้รู้แต่ว่าที่นั่นเนี่ยเป็นปะปัญจะรมธรรมะที่เรียกว่า เป็นเครื่องเนิรนช้าเพราะรวมมานะทิฏฐิเข้าด้วยกัน น, นะถ้าหากว่าโลภะหรือตันหาที่เป็นทิฏฐิสัมปยุทธ์อันนั้นทิฏฐิถ้าเป็นทิฏฐิวิปยุทธ์ส่วนใหญ่มานะเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าพูดโลภะตัวเดียวทิฏฐิกับมานะเท่ากับแสดงเรียบร้อยแล้ว น, นะเพราะเหตุที่มานะและทิฏฐินั้นมีตันหาเป็นประ ฐ, ฐานเป็นเหตุใกล้ด้วย เป็นเหตุปัจจัยด้วยเนี่ยนะมีความสําคัญมากเป็นสัมปยุตตปัจจัยเป็นอัญญมัญญะปัจจัยเพราะตันหาเกิดร่วมกับทิฏฐิหรือว่าทิฏฐิถ้าจะเกิดจะต้องเกิดร่วมกับตันหาเท่านั้นมานะถ้าจะเกิดก็ต้องเกิดร่วมกับตันหาเท่านั้นในบรรดาคําเหล่านั้นด้วยคําเพียงเท่านี้ว่าสีเลสเววตสะปริปูริการีเป็นอันตรัดอธิศีลสิกขาไว้ ด้วยคำเพียงเท่านี้ว่าอัจฉตังเจโตสมถทนุยุตโตเป็นต้นเนี่ยนะตรัสอธิจิตติกขาไว้วิปัสนาญะสมนาคโตพระองค์ได้ตรัสอธิปัญญาศิกขาไว้เพราะฉะนั้นในสูตรนี้เท่ากับกล่าวเอ่อบทนี้เท่ากับกล่าวอธิศีและศิขาอธิจิตและอธิปัญญาก็ในที่นี้ด้วยบทว่าอัจฉตังเจโตสมทเอ่อสมนุยุตโต อ, อนิรา กระตัดชาโนพระองค์ตรัสความที่จิตเป็นเอกคตาว่าอนุรักษ์ศีลไว้ได้ทีเดียวเออถ้าหากว่าเจริญสมถะน่นะสมถารักษาศีลไหใหม่ๆรักษาศีลเพื่อเจริญสมถะใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเจริญสมถะแล้วสมถะมารักษาศีลเองเ อ, อ่าบทว่าวิปัสสนาญานี้พระองค์ตรัสการกาหนดสังขารว่าอนุรักษ์ศีลไว้ได้ เออถ้าเจริญวิปัสนาได้แล้วเนี่ยวิปัสนาจะรักษาศีลไม่ไม่รักษาศีลเพื่อเจริญวิปัสนาถ้าเจริญวิปัสนาแล้วเนี่ยวิปัสสนาจะรักษาศีลอยอีฟังเลยนะว่าอุปมาเหตุผลเนี่ยเป็นยังไงก็บอกว่าถามว่าความที่จิตเป็นเอกคตาจะอนุรักษ์ศีลคือจะตามรักษาศีลไว้ได้อย่างไรนะเออถ้าเป็นสมาธิตามรักษาศีนไว้อย่างไรตอบว่าผู้ใดไม่มีจิตเป็นเอกคตา นะคือไม่สงบบางั่นเถอะผู้นั้นเมื่อพยาธิเกิดขึ้นจะป่วยนะย่อมเดือดร้อนเขาถูกพยาธิรบกวนกระวนกระวายจึงต้องให้ศีลขาดจึงจะกระทําพยาธินั้นให้สงบได้บางทียอมเสียศีล น, นะโรคภัยอันนั้นจึงจะหายได้ส่วนผู้ใดมีจิตเป็นเอกคตามีจิตเป็นสมาธิผู้นั้นคมพยาธิทุกข์ไว้ได้ด้วยการเข้าสมาบัติ ในขณะที่เข้าสมาบัติทุกย่อมปราดไปความสุขซึ่งมีกำลังมากกว่าจะเกิดขึ้นความที่จิตเป็นเอกคตาย่อมตามรักษาศีลว้ได้ด้วยประการอย่างนี้ะนะเดือดร้อนทุกข์กวนกวายแทนที่จะล่วงศีลก็เข้าสมาบัติหรือเข้าสมาธิแทนก็จะได้ศีนก็ไม่ถึงกับล่วงศีนก็ไม่ขาดบางคนเนี่ยโหมันกวนกวายหนักๆเข้าถึงก็เสียศีลเลย